วิชาสองวิชาอ่านว่าวิชาภาษาบาลีว่าวิชาเราพูดว่าวิชาวิชาโลกีวิชาโลกุตระวิชาโล ก, โกีเป็นเมืองขึ้นของวิชาโลกุตระคำสองคำแปลว่ามีอยู่ทรงอยู่โลกีธรรมโลกุตระธรรม ศีลสองศีลศี ส, สองโลกียาศีลโลกุตระศีลธรรมสองโลกิยธรรมโลกุตรธรรมธรรมแปลว่ามีอยู่ทรงรอยู่ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาธรรมทั้งหลายก็มีอยู่ทรงรอยู่ตามธรรมชาติของธรรมไม่มีใครแต่งขึ้นขึ้นพระสมมารธรรมพระเจ้าก็ไม่ได้แต่งขึ้น ถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนพระบรมศาสานาก็ไม่สามารถรู้ทำได้ถ้าศีลไม่มีอยู่ก่อนพระบรมศาสดาก็ไม่สามารถรู้ศีลได้เหมือนกันถ้าวิชาไม่มีอยู่ก่อนก็มีความหมายเดียวกันพระบรมศาสนาก็ไม่สามารถรู้วิชาได้วิชาในทางงพุทธศาสนาเป็นวิชาที่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นวิชาสงบ ปกครองโลกเป็นชั้นที่หนึ่งในโลกอุตระโลกอุตระปกครองโลกปกครองแบบไหนทำเป็นโกกรกบาดคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายตอบาปความกลัวตอบาปเท่านั้นจะปกครองโลกได้ปฏิเสธเลยถ้าไม่มียางอายตอบาปไม่มีความกลัวตอบาปแล้วโลกก็ตั้งอยู่ไม่ได้ปกครองโลกมาอยู่ ใครเป็นผู้บัญญัติบาปุลคุณโทษถูกไม่เข้าข้างตัวและไม่เข้าข้างพักของตัวด้วยก็พระบรมศาตราจําพกเดียวเท่านั้นเหนือนอกนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยไม่ได้หาพักหาเสียงใดๆเลยเหมือนดิงทิ้งดิงลงแล้วก็มาต้องหาพักหาเสียงว่าตรงไหนยับระดับน้ำ แล้วก็ไม่ต้องหาพักหาเสียงว่าตําทางไหนอีกเอาไมา้เม็ดไม้เสียนที่ไม่ขี้โกงมาแล้วมาตราวัดระยะก็ไม่ต้องหาพักหาเสียงอีกเอาเครื่องวัดเครื่องตวงที่ไม่ขี้โกงมาแล้วก็ไม่ต้องหาพักหาเสียงอีกเงียบเลยไม่เหมือนชาวโรกขี้ปลาทูทะเลชาวโรคขี้ปลาทูทะเล มันเป็นทิพปะเงินไม่ใช่ทิพประชาธิปไตยเป็นทิพประเงินใครมีเงินมากก็ปกครองหมู่ได้ใช่ไหมนั่น <c oughs> ทําไมจึงมีเประชาทิปปะเงินเพราะมันไม่ลดตําแหน่งกิเลสใช่ไหมทําไมจึงอาบน้ำเพราะลดตําแหน่งความสกรปรกทําไมจึงปฏิบัติศีลธรรม พระรถตำแหน่งความสกโปกไ ม, ไม่ไม่รถตำแหน่งในในทางศีลธรรมในในทางศีลธรรมรถตำแหน่งเวียนไผยไม่รถเลยเอาไว้ตำเดิมเอ้าวชาวโลกทุกวันนี้คิดคร่าวๆจะมีพลเมืองกีคนก็คงไม่ต่ำกว่าห้าพันล้านชาวโลกห้าพันล้านนั้นมีชิ้นห้า พอราดคนไหมเมื่อไม่มีชินห้าพราดคนโลกก็อดละมานใช่ไหมอ้อาถ้าเช้าโลกไม่มีความละอายตบะไม่มีความกลัวตวบะแล้วมันก็ไปร่วงละเมิดสินห้าใช่หรือไม่ทุกวันนี้อละมานกันอยู่ก็เพระร่วงละเมิดชินห้า กฎหมายกฎหมูยกฎพักกฎพวกจะตั้งอยู่กี่ล้านล้านมาตรามันก็ไม่อยู่จะท่องได้ก็ตามหน้าที่เท่านั้นหน้าที่เท่านี้ข้อเท่านั้นข้อเท่านี้จะจําได้ก็ตามแต่กเกเรแม่ลดตําเหนียมมันก็ไปไม่รอดถูกไว้เหตุนั้นคําสอนใดๆ จรงเป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาหมดเข้มเทศจะมีขีละล้านก็เป็นเมืองขึ้นของเทศเหนือโดยไม่รู้ตัวฉั้นใดคําสอนใดก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนพรพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ได้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อได้ไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนใครจะให้คะแนนหรือไม่คะแนนก็ไม่เป็นปัญหาเข้มทิศมันก็ขี้อยู่เยอะเดี๋ยวนี้ใช่ไหม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 พวกชาวโลกตั้งพักไว้มากๆต่างคนก็ต่างแย่งกันกำดน้ามดาบให้กูกำบ้างกูก <c oughs> ำพอสมควรแล้วก็เปลี่ยนให้มึงกำบ้างถูกไว้ <c oughs> พูดตามเป็นจริงไม่เป็นอุปท า, านเหตุ <c oughs> นั้นการปฏิบัติศีลธรรมจึงเว้นไม่ได้ทุกยุคทุกสมัย ทุกการทุกเวลาของชาวโลกพรห ม, มวิหารสี่ก็มีไว้ผู้ที่เป็นใหญ่เมตตาความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุขสองกรุณาความสงสารคิดจะช่วยผู้ทุกข์สามมุทิตาความพลอยนดีเมื่อผู้อื่นได้ดีสีโอเบขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความมีบัตรเพราะเหลือวิสัยจะแก้ได้ก็จึงวางโอเบขา ถ้าวางโอเบกขาเลยจะกลายเป็นยังไงล่านช่างชีดีทั้งความมันก็กลายเป็นโอเบกขวางใช่ไหมน่แัลพระบรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศาทุกๆุกพระองค์มาสอนตรงกันเลยไม่ได้รบล่างพรบกันเลยพวกชาวโลกตั้งประชาธิปไตยตั้งแต่หลวงปู่เป็นอายุเกียรติพระอายุ 25, อายุ2 0ปี21ปีตั้งประชาธิปไตยชาวโลกมนกลายเป็นประชาธิปไตยเคยไหม <c oughs> ตั้งแต่ 2009-2015 ยังไม่ได้เลยพ่ อ, อแม่เอ๋ยกูเถียงมึงไปมึงเถียงกูมาอยู่นั่นน่ะพ่อจบกเกษียณก็ออกเอาเงินตังค์มา พระพุทธศา ส, สนาตั้งกฎหมายรัดไว้เกรงพระจะเห็นขี้เทอของตนไม่ให้พระเป็นการบ้านการเมืองพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนเดิน <c> ห <oughs> น้าที่ของคารวะธรรมกับพระมีอย่างไรบ้างในพระไตยพิฎกพระพุทธศาสนาสอนหนึ่ง ด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวจียกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้าอาเมทสถานนะภิกษุสามเณรได้รับบำรงชะนี้แล้วย่บมอนุเคราะข์ราวาส ด, ด้วยสถานห 1. กหนึ่งห้ามกระทําความชั่ว สองแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก้มหกบอกทางสอนให้นั่นนั่นนั่น น, น่นน่นน่นน่นน่นสอนมาอย่างนั้นถ้าไม่จริงก็เอาไปเผาไฟทิงซะอย่าไปนอนเฝ้าอยู่ที่กรุงเทพ อ, อ, อยู่ในพระไตรปิฎกนักทมตีโทรเอกหรือปริยาแปดเก้าสอสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้า ก็เรียนผ่านทุกๆท่านทั้งนั้นแต่เราไม่ได้สักป ร, รียนาหรอกนั่นพระพุทธเจ้าสอนในมดสิ่งไหนพระพุทธเจ้าไม่สอนได้มีเลยก่อนทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าปาตถาสร้างบารมีเดี๋ยวนี้ก็มอีอยู่ผู้สร้างบารมีถ้าถึงวาระเป็นพระพุทธเจ้าจึงจะไปสร้างมันก็ไม่ทันเพราะมันยังไม่เต็ม ทุกวันนี้ก็มีอยู่ผู้ปัติสนาเป็นพระธรรมจิตพระพุเจ้าสืบต่อกันอยู่มีอยู่สามข้อความประสงค์ก็ดีความปัติสนาก็ดีความตั้งสัตย์ก็ดีความอธิษฐานก็ดีความต้องการก็ดีก็มีความหมายอันเดียวกันความประสงค์ในทางที่ชอบไม่เป็นกิเลสความตั้งสัตย์ไว้ในทางที่ชอบก็ไม่เป็นกิเลส ความอธิษฐานในทางที่ชอบก็ไม่เป็นกิเลสความต้องการในทางที่ชอบก็ไม่เป็นกิเลสความหวังดีนในทางที่ชอบก็ไม่เป็นกิเลสถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดสร้างบารมีได้เลยอืม <c oughs> ถ้าอะไรก็เป็นกิเลสหมดพุทธถจริยาทรงสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้ายาตตะจริยาสร้างบารมีเพื่อสงเคระาะห์ญาติโลตตะจริยา สร้างบารมีเพื่อสงเคราะห์โลกยอมตัวเป็นศาสดาโลกแล้วสร้างบารมีแล้วทุกๆพระองค์เลยมีกิ่ล้านพระองค์ก็มามีความหมายอันเดียวกันไม่ได้รบล่อลับรบล่างพระบบกันเลยย่อนเข้ามาอีกถ้าชาวโลกมีชิ้นห้าบริบูรณ์กฎหมายก็ไม่ต้องตั้งมากใช่ ไ, ไหมนฮะ เรียกว่าโลกุตระศีลเนี่ยอเศียลหน้าเป็นโลกุตระศีลไม่ใช่โลกีศีลเอ่อไอ้พวกโลกีศีลก็เอกินชุราเป็นระยะระยะมันไม่เป็นระยะรอกมันก็พูดนะ <laughs> <laughs> มันก็ฆ่ากันเป็นระยะระยะระย ะ, ปะโป้งเป็นระยะระยะใช่ไหม <laughs> <laughs> พูดอะไรมาถึงเขากีะะ่ละเอดพื่อน่ะ ก็เกียดไปสิ่กิเกลียดไปพื่อัอง้านัเอ้เอ้าถ้าชาวโลกมีศีลห้าบริบูรณ์ทุกทุกท่านไม่ต้องเรียนมากกฎหมายก็ตั้งเพียงงบประมาณหรือภาษีอากรก็พอแล้วอันนี้มีตำรวจเท่าได มันก็อยู่ไม่ไหวทหารก็รักเป็นตำรวจก็รักเป็นพระก็รักเป็นนน่นเน่นตกลงสินธรรมก็อยู่ในตัวหนังสือไม่อยู่กับหัวใจพระไม่อยู่กับหัวใจญาติโยมเช่นบาปอย่างนี้ ม, มีตบบอชราตวปสะกดก็อยู่ตัวในตัวหนังสือไม่อยู่ในหนังสือใจเสียเลยและยำชิงเกี้ยชาวโลกเราถูกไวม พ <Yeah. S 2> ระบรมศาสนารบครองโลกที่กำลังสร้างบารมีอยู่บางประเทศเขามาขอเป็นเมืองขึ้นแต่พวกเราเมืองไม่ขึ้นกูกูฆ่าเมืองตายใช่ไหมมีผู้ทําลายพระพุทธศาสนาได้หรือไม่เรากจ็จะถามยอดข้าไปอีกว่ามดไตรโรกธาตุ เมื่อนำลายโต้ฟาได้ไหมแล้วก็บอกว่าไม่ได้ถ้าเมื่อนำลายถึงฟาไม่ได้ก็ไม่มีใครทำลายพระพุทธศาสนาได้ถ้าหากว่ามีผู้ทำลายพระพุทธศาสนาได้แล้วพระพุทธเจ้ามาองค์หลังเขาทำลายหมดแล้วก็ไม่รู้ทำอะอีกเพราะไม่มีทำเขาทำลายทิ้งหมดทำลายไม่ได้ความดีทำลายไม่ได้ ความชั่วก็ทำลายไม่ได้ใครทำชั่วก็ได้รับผลชั่วจริงๆใครทำลายความดีก็ได้รับใครสร้างความดีก็ได้รับความดีจริงๆถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีพระราก็ไม่เชื่อพพระพทะศาสนาเหมือนกันถ้าชาวโลกไม่ชนะวารีบุญสงครามก็ไม่มีตำรวจก็ไม่มีทหารก็ไม่ต้องมีตรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจำก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้า คดีดําคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่มีนั่นนั่นนั่นนั่นไม่ควรประมาทพระพุทธศาสนานั่นนั่นเหตุนั่นจึงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาจึงก้มกราบพระพุทธศาสนารธรรมะเออจะถือาศาสนาได้ไศาสน า, สาศาสนาใดใดก็ตามเถิดแต่ว่าขอให้มีศีลห้าบริบูรณ์หรู จะใส่ชื่อหรือนามว่าศาสนานั้นศาสนานี่ก็ไม่เป็นปัญหาอถ้ามีเสี้ยวห้าบริบูรณ์โลกก็สงบแล้วนอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างถูกไหมจะใส่ชื่อหรือนามว่าศาสนาไหนก็แล้วแต่แต่เขาให้มีเสี้ยวห้าบริบูรณ์ดูหรูนั่นถ้าไม่มีเสี้ยวห้าบริบูรณ์แล้วจะใส่ชื่อว่าศาสนาพุทธเขียนตัวโตๆเท่าแผ่นฟ้าแผ่นดินนี่มันก็ไม่อยู่ใช่ไหม เหตุนั้นริงเขารบธรรมสัตธมโมขนกาตาปภูับโบพระทว่าเป็นภาษามาคตพระ อ, พ, อ, พ, อพาลเปลี่ยนเป็นตบควรเขารับพระสัทธมสัทธะเทยมนุษย์สร้างนางคนผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พโมรมศาสนากระทั่งสมพิญญน์นังเครวระปริพุนังปริปรปรสุทธังพโมจันยังประกาเศเสเสตตามหารประกวันตังไมู่้ทยามีตามมหาประกวันตังเชื่อสารมามิเหตุนั้นยังยอมกราบหไหว้เม่ได้กราบไหว้แบบโง่โ ง, ง่บ้าบ้าบ่มีสิ่งไหนมีคุณเป็นมหันสิ่งนั้นก็มีโทษเป็นอนันต์ใจมีคุณเป็นมหันคนบ้าบ้าเสียจเดียดพิดมนุษย์ มันคนมาได้รับประโยชน์คุ้มค่าแต่ก็มีโทษเป็นนั้นถ้าใช้ไม่ถูกวิธีนึกคิดพระพุทธศาสนาก็สอนจิตใจไม่นึกอันหนึ่งมันก็นึกอันหนึ่งมันทําไมมันจึงนึกมากเพราะมันนึกหาความสุขของมันเมื่อไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะมันก็นึกไปวนไปวนมาวนไปวนม า, นนมาอยู่อืะ ถ้ากามวิตกไม่หนักในท่านผู้ใดมีขอบเขตพรยาบาทวิตกไม่มีในผู้ใดมีหิงสาววิตกความเบียดเบียนไม่มีในท่านผู้ใดผู้นั้นถึงพระอนาคามีแล้วอนะรรโลมาษาษาษาัสสกุลถ้ากามวิตกมีขอบเขตอยู่ในท่านผู้ใดเรื่องละเมิดแต่ภรรยาและสามีของตน ยินดีแต่ภรรยาและสามีของตนมีสินห้าบริบูรณ์ไม่เชียดายร่วงละเมิดสินห้าไม่เช่ยดายร่วงละเมิดอภาัยามุขไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เชียดายอยากจะถือเลิกกิรยามดีไม่เสียดายอยากจะคบมิตรชั่วแต่ให้ไม่ให้กระเทือนเขาไม่เสียดายอยากกระจองเวรท่านผู้ใด ไม่ใช่อาอยากค้าขายมิจฉาวณิจฉาคือการค้าขายไม่ชอบทำห้าอย่างพระพุทธศาสนาะสอนแล้วสอนการวะตรงๆหนึ่งค้าขายเครื่องประหารสองค้าขายมนุษย์สามค้าขายสัตว์เป็นเดนเ่าสัตว์ ที่ตัวค้าเพื่อเป็นอาหารที่ค้าขายน้ำเมา5ค้าขายยาพิษการค้าขาย5อย่างนี้มันไม่เจริญเลยอย่าไปทำถูอย่าไปทาเถิดลูกหลานเอ๋ยรบรมศาสดาค้าขายเครื่องประหารคือค้าขายอะไรก็คือค้าขายเวรภัยนั่นเองเขาเอาไปฆ่ากันใช่ไหมอืมอ้าพวกที่ค้าขายเครื่องประหารมากๆเขาเจริญกว่าเรากี่เท่าอ้า อ๋อร้านเท่าพันเท่าใช่ไหมไม่เลยอืมีน้ำซ้ําเขาเอาไปยิงหัวเขาชื่อแล้วนั่นร้านขายเข้าวผัดห่านชิ้นแต่ละข้อละข้อถ้าร่วงละเมิดข้อใดข้อหนึ่งมันก็ร่วงได้หมดใช่ไหมป้านาติบาศถ้าข่ายุงได้ก็ข่าแมลงวันได้ใช่ไหมถ้าข่าแมลงวันได้ก็ข่าเป็ดข้าไก่ได้ถ้าข่าเป็ดข้าไก่ได้ ก็ฆ่าโคฆ่ากระบือได้แล้วก็ฆ่ามนุษย์ได้แล้วก็ฆ่าวิดามันดาได้ข้าพระได้ฆ่าพระอรหันต์ได้ลูกไม่ขีไฟลูกเดียวมันเผาบ้านเผาเมืองได้ใช่ไหมอ่าถ้ารักเข็มเล่มหนึ่งได้มันก็รักได้ทวีขึ้นอีกมีน้ำซ้ำมันก็ปรดฉดมสารพัดอ่ามุษาถ้าพูดปด เล็ก ๆ, ๆน้อยมันก็พูดปลดใหญ่ขึ้นต้องตุ๋นอีกแียด้วยน่ออสุราอ๋อการมมษิไมชาจารย์ถ้าล่วงภรรยาของตนได้หรือผัวของตนได้คนอยู่ในครอบครัวรมันก็สามารถล่วงละเวิดได้อีกเหมือนกันในครอบครัวเดียวกัน เ, เช่น <c oughs> บางทีก็ล่วงละเมิด น้องสาวภรรยาก็ได้ใช่ไหม <c oughs> นั่นนั่น <c oughs> ล่วงละเมิดสามีก็ได้ใช่ไหมล่วงละเมิดคุณป้าก็ได้ใช่ไหมนันนนนน่นนั่นเนาะอ้นี้ทีนี่มุสาก็ว่าแล้วมุสาก็ว่าแล้วถ้าพูดปลดพูดป ด, ดหลอกลวง มันก็สามารถต้มถุนได้ทุกชนิดลูกไม่สี่ไฟลูกเดียวห่ะสามารถล่วงมัดละเมิดได้มัดส่วนสุราใช่ไหโทษของสุราก็มีอยู่หกข้อหนึ่งเสียทรัพย์สอ ง, องก่อการทะเลาวิวาดสามเกิดโรคสี่ต้องติเตียนห้าไม่รู้จักอายหกทอนกำลังปัญญานะโนะนะหนเอกพระารรมุิธเจ้า ทายไว้แล้วไม่ผิดเลยโหนเอกอนีอ่ไม่ใช่ขุนรัดขี้หยอด <c oughs> นี่นะมีน้ําจ้ำก็เอากันคาคากําลังเดิมนั่นนะ <c oughs> มึงมึงมึง ม, งมึงมึงอย่าพูดให้กูพูดมึงอย่าพูดไม่ให้กูพูดให้ฟังกูก่อนอ่าเอากลับไปเอามากําปั้นที่ออกจากกระปั้นก็อยู่ในกระเป๋ามีอะไรก็เอากันอีกอ่ะ <c oughs> มีดเอ๋ยปืนเอ๋ยะ พระบอกระมาศาลาตัดไฟต้นลมตัดลมต้นไฟแล้วผู้มีชิ้นห้าบริบูรณ์ผู้ไม่ล่วงละเมิดชิ้นห้าผู้ไม่ใช่ได้ถือศาสลาอื่นนอกจากพระพุทธศาสลาทาไมจึงไม่ใช่ได้ถือศาสนาอื่นเพราะเห็นว่าพระสมยัยพระพุทธเจ้าสอนมนุษย์สมัติสวรรค์สมัตดลมสมัตินิพพานสมัติเต็มภูมิแล้วไม่บกคร่องเลยเหตุ น, นั้นจึงไม่ใช่ได้ถือรัฐที่อื่น ก็ไม่มีมากก่็มีเพียงเท่านั้นอ่ ะ, อะจะไปไหนอีกอืมอืมธรรมะชั้นสูงยังมีอีกอโขอเนอ้อธรรมะชั้นละกิลเลสเนอ้อเอ้า เห็นอันนี้จังคณะคิดหนึ่งเขาแห้นโรคราบหนึ่งเพราะโรคเต็มด้วยอันนี้จังไม่ที่อย่างเกิดขึ้นไปป่ยนัแตกสลายอืธรรมะชั้นสูงยังมีอีกเมื่อธรรมะชั้นสูงก็ศีลก็ชั้นสูงขึ้นไปด้วยสมาธิก็ชั้นสูงขึ้นไปด้วยอันนี้พูดในพูดชั้นกอชลาการกอชลาขาเนี่ย <laughs> ทำชั้นมัธยมยังมีอีกเนื้อ ปัญญาปริญญาตีโตเอกอปริญญาทางพุทธศาสนากม็มียาตะประิญญากําหนดรู้ด้วยการรู้ตีนั น, นปริญญากําหนดรู้ด้วยการพิจารณ า, าปหาณปริญญากําหนดรู้ด้วยการละศีน่ะทีนี้ครอบชาวโลกของเราเนะนี่ยรัฐบาลทีได้อภกาผ้าผ้าตาช่างเผือกใช่ไหมทุกวันนี้เอามาท่านี้ใช่ไหมอืา ใครได้ท่าบนี้ล้วก็รู้จมูกก็อย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็วออกมาจากไหนออกมาจากผ้าทั้งคาพระใช่ไหมหนักหนัมีผ้ารัดนี่อีกมีเชือกรัดนี่อีกมีอะไรรัดนี่อีกก็เอามาจากผ้ารัดอกพระใช่ไหมคุณลุงคุณป้าคุณหนูคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายใชวัดดีหรือไม่ สวัสดอีออกมาจากไหนออกมาจากอายุวันโสุขังพลังของพระใช่ไหมนั่นนั่นที่นี่นชั้นสูงยังมีอีกเนาะชั้นพร ม, มโรคผู้ไม่เสียดายต้องละเมิดเส้นห้าเป็นพระสวัสดิ์บัณฑเข้าใจนะที่พูดมาแล้วเนะ่ะไม่ใช่ราค่าขายเครื่องประหารมากกว่าการเล่นการพนันทุกประเภท่ะอืมผู้ต้องการผู้ต้องการไปพร ม, มโรคท่าน เลื่อมใสพระพุทธศาสนาจนถึงวันตายก็ได้ไปพรมโลกแต่เป็นยังเป็นพรมโลกีอยู่ถ้ามีชิ้นห้าบุญบุญไม่ใช่พรมโลกีเนะเป็นเพ่อเป็นพระสวัสดาบันแล้วก็วานนาไปสู่พระหันถ้าไม่ยังไม่ถึงพระสัสดาบันก็อย่าหวังเลยนะพวไม่ต้องการมาเกิดอีกยังมีตาหูจมูกกลิ่นกายใจตาเป็นแต่สักว่าตา หูเป็นทาสักว่าหูจมูกเป็นนาสักว่าจมูกลิ้นเป็นทาสักว่าลิ้นกายเป็นนาสักว่ากายใจเป็นนาสักว่าใจใพูดเป็นหกเม่อยึดถือสิ่งใดในโลกไม่มีราคะโทสะโมหะให้เกิดขึ้นอยู่ในมหาวิจีนรก ไปเกิดมหาวิจินะลกสำคัญตัวเป็นพระรหันื์ถ้าหากว่าสาคัญตัวจริงๆถ้าสำคัญตัวจริงๆมันก็เป็นอาบัตทุกกดถ้าสำคัญถ้ารู้ว่าตัวไม่เป็นพระหันแต่อวดว่าตนเป็นพระรหันเป็นปาราชิกผู้ฟังเข้าใจความว่าอวดอุตริมนุรรมจริงแต่แกก็อวดจริงตรงกันกับ ผู้ผู้โจดหรือไม่โจดก็ไม่เป็นปนัญหาผู้ฟังเข้าใจความหมายเป็นปาราชิกเพราะชิกขาบทที่เกี่ยวก็ปาราชิกสี่ทังคาที่เศษที่สามมันเป็นชิกขาบทที่มีเกตนาไม่ใช่เป็นชิกขาบทที่ไม่มีเกตนาถ้าสําคัญตัวรื้อพ้นแต่มันไม่รื้อพ้นมันก็เป็นเพียงอาบัตทุกกดพลิกสูแกงฆ่ามนุษย์ให้ตายถ้าไม่ตายเป็นอาบัตทุนละใจ ถ้าตายเป็นอาบัตสังคาเป็นอาบัตรปาราชิกถ้าเพียงเก็บถ้าเพียงกําลังดําริอยู่นั่นนะก็เป็นอาบัตทุกกฏพระินัยละเอียดแล้วออมากภิกษุทําขวัญหลุดมือลงมาถูกคนข้างล่างซร้าแชมกุติวิหารหรือกําลังก่อสร้างคนนั่นตายเป็นอาบัตอะไรคนอยู่ข้างล่างตายจะ ต, ต่อเป็นอาบัติปาราชิกเลยเขาก็ให้เที่ยว ต้องอาศัยเกตนาของเธอเชี่ยกรภิกษุทําขวานหลุดมือลงมาถูกคนข้างล่างซ่อมแชม็มกุติวิหารหรือกําลังก่อสร้างคนนั่นตายเป็นอาบัตอะไรคนอยู่ข้างล่างตายจะต่อเป็นอาัตปาราคิกเลยเขาก็ให้เที่ยวต้องอาศัยเกตนาของเธอเชี่ยกรถ้าเธอแกล้งทําลงมาเพื่อหาอบาให้คนนั่นตาย แต่คนนั้นไม่ตายเป็นอาบัตถุนัตใจถ้าตายแล้วก็เป็นปาราคิตถ้าไม่ตายก็เป็นอาบัตทุกกดโอถ้ า, าถ้ากิริยาที่ทำให้ตกลงมามันไม่ถูกเป็นอาบัตทุกกดถ้ามันถูกแล้วไม่ตายกิริยาที่กำลังดำริอยู่นั้นเป็นอาบัตทุกกะทำขวานรดมือลงมาแต่ไม่มีทำขวานรดมือลงออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ได้แก้งทำมันหลุดมือลงเป็นอาัตทุกกฎถ้าตายก็ไม่เป็นอาบัตทุนใจ <S S S ใเพราะไม่มีเกตนาเพราะศิกขบดปาราชิตทั้งสีมีเกตนาปาราสังฆาทิสีสิสสามก็เหมือนกันก็มีเกตนาภิสษุพูดเกี้ยวหญิงเป็นอาบัตอะไรให้หญิงหัวหนวกถ้าหญิงต่างชาติหญิงไม่ยู่ ร, ร, ร, รูเรียงสา ฟังไม่เข้ารู้จักไ ม, ไม่ไม่รู้จักความหมายฟังก็เป็นอาบัตถุนรักใจหญิงคนนั้นฟังรู้จักความหมายว่าพระเกี้ยวแต่พระก็เกี้ยวกินหญิงก็เข้าใจหญิงจะรักหรือไม่รักไม่เป็นปัญหาเป็นอาบัตสังขารทิเศ <c oughs> อรัมเด็กผู้หญิงด้วยความกำหนัดก็เป็นอาบัตสังขารทิเศตรัก พุทธมีความกําหนัดอยู่จับต้องกายหญิงต้องทังกายที่เศษมีความกําหนัดอยู่คําว่ามีความกําหนัดอยู่เรียกว่ามีเกตนาพุกษสูมีความกําหนัดอยู่จับต้องกายหญิงเป็นทั้งกายที่เศษหญิงเกิดในวันนั้นพุกษสูมีความกําหนัดอยู่พูดเจี้ยวหญิงพูดเจียวหญิงก็หมายความว่าหญิงรุดเรียงสาแล้วอันนี้มันเป็นหญิงคนนั้นพุกษสูมีความกําหนัดอยู่พูดร่าให้หญิงบําเรอตนด้วยกามหญิงจะบําเรอตนด้วยการมหรือไม่ก็ตามก็เป็นทังกายที่เศษ มันมีหญิงหนูสามจำพวกภิกษุชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันเจ้าทัศน์ทิศเศษก็เหมือนกันชักสื่อคือคือสื่อคือสารเออเป็นเท่าไปแก่ทางนี้ลเป็นเข้าไปแก่ทางนั้นถ้าเขาได้กันเป็นอาบัติเจ้าทัศน์ทิศถ้าเขาไม่ได้กันเขาเป็นอาบัติทุนนใจตอบพระเมรัยมันตอบยากต้องอาศัยเจตนารมณของเธอเสียก่อนผู้รับผูทุกข์ในวัฏองสารเท่ห์ ต้องพิจารณาเห็นอันิจังทุกขังอนัตตาพาื่อความลมหาใจเข้าออกได้ในในโลกล้วนอันิจังได้ในในโลกล้วนทุกขงังไดในในโลกล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยต้องรวมศีลสมาธิปัญญาลงมาในปัจจุบันฉันทะพอใจรักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรบรนประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ กิตตเอาใจพักฝ่ายในกรรมฐานที่ตั้งไว้ไม่มังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณสียานี่มีบริบู์แล้วอาจชักนำโมกุลไปถึงสิ่งที่ต้องประสงค์งเสมอเดิมมิใส่ศรัทธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรมันมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติได้ะรู้ชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้เห็นอันนี้จังคณะเจ็ดหนึ่ง ก็เห็นรอบรอบหนึ่งแล้วเราพูดอยู่เดี๋ยวนี่พูดแล้วก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปคืออันนี้จังอันละเอียดนึกขึ้นมาแล้วก็พูดแล้วก็ล่วงไปล่วงไปเป็นอันนี้จังอันละเอีพระนิพพานมาเนี่ยมาพูดด้วยใครเป็นผู้พูดกายยะสังขารมากี schön, สังขารจิตะสังขารพระนิพานพานมาเนี่ยมาพูดด้วยใช่ไห ม, <งา> น, น, มนั่นพระนิพพานมานี่มาฟังด้วยใช่ไหมผู้ติดอยู่ในการพูดการฟังมันก็มีกิเลสอยู่เหมือนกันนั่น ส่วนพระอรหันต์ท่านไม่มีกิเลสถ้าไม่รักษากิตท่านด้วยทำไมพระอรหันต์จึงไม่รักษาจิตเพราะพระอรหันต์ท่านไม่ยึดถือว่าจิตเป็น ต, นตนตนเป็นจิตไม่ถือไม่ยึดถือผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้เหตุนั้นมาหน้าทิฐิขององค์ท่านจึงไม่มีนกบินในอากาศไม่มีรอยชั้นใดเิตใจของท่านก็อย่างนั้น ถ้าพระอรหันต์ท่านรักษาจิตยอยู่ท่านก็เป็นทุกข์ตายเพราะเกรงว่าจิตจะเป็นโทษ mm hmm. เมื่อจิตไม่เป็นโทษแล้วท่านก็ไม่รักษาจิตก็เป็นแต่สักว่าจิตแล้วท่านไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยนี่ต้องมีแผนที่ถ้าไม่มีแผนที่ข้ามทะเลหลงข้ามทะเลมันก็หลงตายในเครื่องพวกรักบินก็ต้องมีแผนที่ถ้าไม่มีแผนที่ก็ชนภูเขาตาย <In> ถ้าท่านรักษาจิตท่านอยู่ท่านก็เหมือนคลคุมนักโทษเกรงว่านักโทษจะมาทำอันตรายแก่ตนด้วยเกรงว่านักโทษจะรักหนีด้วยเกรงว่าตนจะมีโทษเหตุนั้นท่านจึงไปรักษาจิตของท่านเพราะจิตของท่านไม่มีกิเลสท่านจะรักษาทำไมแต่พวกเราไม่รักษามันก็ผิดจริงๆใช่ไหม <laughs> <laughs> การรักษามีการปฏิบัติจึงมีท่านทุพพลไปแล้วท่านไม่มีรักษาอะไรเพราะท่านกบดธุระแล้วหมดปัญหาแล้วปัญหาอาดีตอนาคตไม่มีในท่านแล้วปัญหาโลคโกรธหลงก็ไม่มีในท่านท่านก็ไม่รักษากิจท่านแต่พวกเราไม่รักษามันผิด จ, จริงจริงศีล <laughs> ตัดิีลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบั น, น, น, ป, จจบนปัญญารอบรู้อยในปัจจุบันนี่ย่นลงมาที ถ้าไม่หลงอันหนึ่งก็ไม่หลงอันหนึ่งคนเราถ้าหลงหนังแล้วก็หลงหมดใช่ไหมเอ้าไอ้ไอ้ตัวเอวรัดรัดจมูกโด่งโดองอ่าไอ้ตัวไอรักอ่าไอ้ตัวเอวรัดรัดจมูกโด่งโดงขาเดียวๆน่ะอ่าแล้วก็ท่ายโตโตแล้วก็ แพวกเบนๆบนตโตเน่ะนี่ลอกหนังแล้วสองต่างเอาไหมลอกหนังเหมือนกบนี่ออกหมดนี่ย <c oughs> <c oughs> น, น, นัน่สองตังไเอานี่ยน่ะเหตุนั้นน่ะท่านจึงหัดใต้ภาวนาร่างกายผู้ดใดประมาทกรมกายคตาสติผู้นั้นประมาทพระ涅ิพระพรุะธมรรคศาสน า, ศ า, ศา พเ ห, <original> หพตุฉะนั้นจึงให้พิจารณากายเป็นอารมณ์เช่นลมหายใจเข้าออกเป็นตน้นลมหายใจเข้าพอเรารู้ว่าลมหายใจเข้ามันก็เป็นอดี ต, ตไปเลยพอเราบัญญัติว่าต้นลมก็กลายมาเป็นกลางลมพอเราบัญญัติว่ากลายกลางกลางลมมันก็มาเป็นท่ายลมมันก็ไม่มีหัวไม่ท่ายที่ผู้หลงก็หลงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนมันลมเข้าลมออกอผู้รู้ตามเป็นจรงิงก็รู้ตามเป็นจริงอยู่มอนลมเข้าลมออก อันนี้จังทุกครั้งอนนาตาก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนสังขารเกิดขึ้นแล้วแปลภวณัติแตกสลายก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถพระโลกทั้งภวงก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อจับลมหายใจเข้าออกแล้วแล้วมาท่านอื่นๆก็มารวมอยู่ที่นัดหมดวิธีภาวนาพุทโธคุณพุทโธธรมโอทั้งโขก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณท่านผู้มีคุณก็เป็นเมืองขึ้นของคุณพุทธทรสงศ์ คุณของพุทธธรรมสงก็เป็นเมืองขึ้นของคุณาพระเนปามันก็ต้องขึ้นไปอย่างนั้นนี่ด้านปัญญาเหตุนั่นจึงว่าวิปัสสนาธุระธุระทางปัญญาไม่ใช่ศีลธุระไม่ใช่สมาธิธุระไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิธุระไม่ใช่ศีลธุร ะ, ระเหตุนั้นจึงว่าวิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระกับปัญญาธุระก็มีความหมายเดียวกันทําแต่และบรรดบัตต์ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้าหมดคน ผู้รักษาศีลหก็ต้องมีปัญญาเป็นนายหน้าอจึงจักบริบูรณ์ทำแต่และหมดวดละหมวดมีปัญญาเป็นหัวหน้าหมดเมืนะ่อปัญญาสูงศีลก็สูงสมาธิก็สูงเมื่อปัญญาต่ําศีลก็ต่ําสมาธิเป็นก็ต่ ำ, ตำอา้าพุทโธคําเดียวขยายออกถึงพระอรหันตพุทโธพ ร, ระสรวันอพุทโธแปลผู้รู้ทำโมสองไว้ซึ่งผู้รู้ สังโฆปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อรู้ละช่วยทําดีพุทธโธรปรสวาวันเป็นพุทโธ ท, ที่ไม่สงสัยในพระพุทธศาสนาพระทหารเรียนพุทโธจบแล้วพุทโธไม่พามาเกิดไม่พามาแก่ไม่พามาเก็บไม่พามาตายไม่พามาโรคไม่พามาโกฏไม่พามาหลวงเลยนั่นพระทหารเรียนพุทโธจบแล้วณโมก็เรียนจบหมดแล้วณโมแปลว่าน้อม พระทหารน้อมน้อมจนไม่มาเกิดแก่แก็บตายน้อมน้อมจนไม่มีโรคมีโกรธมีหลงนั่นเรียกว่าพระทหารเรียนน้โมจบน้โมพวกโรกีมโนพวกพิบ้ามมีอยู่อีกน้โมแปลว่าน้อมน้อมเลกน้อมน้อมผานอหน้อมัดน้อมน้าเบอร์น้อมน้อมรูดูดเขาใช่ไหม ถูกไห้หม <c oughs> อเนี่ยหมอดีแต่ <c oughs> ว่าไอ้ที่เขาเกลียดเนาะมันไปเรียนนำโมนอบนอบดูต <c oughs> ูดเขาหนะมันสำคัญ <c oughs> ที่นี่ เดียวเดียวพวกลูกห ล, ล, ลานลูกห ล, ล, ลานทำไมจึงไม่เนืกอบ้าพระบรมศาสด า, าสอนนุ่งนุ่งให้เรียบร้อยพระพระบรมศาสด า, าสานอนยังไงในปณิมณารังในวาเศษทราบมีตรีค่ากัลยาณิยานเราจักนุ่งห่มให้เรียบร้อยนุ่งให้เรียบร้อยคือนุ่งยังไง ข้างบนเหนือสะดือข้างล่างเพียงครึ่งแข้งจึงเป็นวัฒนธรรมวะนะอันนี้พวกลูกๆไปห่อเ อ, เอาเอาแต่อีพ่ออีแม่มันมันถูกว่าลกปูไปเห็นในหนังสือพิมพ์อ้พวกให้คะแนนก็ว่ า, าจริงจริงวนะเน่ย อเพวกที่ทำอย่างนั้นก็บ้าจริงๆก็ไม่ควรมีในประเทศของเราให้มีในประเทศฝรั่งซะออมีในประเทศของเรา็ก็ค่ะก็ว่าเอามาบูชาพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ไอ้นั่นทีนี้วัฒนธรรมวัฒนธรรมผีบาอะไรผู้ส่งเสริมมีอยู่นั่นถูกไหมนั่นนั่ น, น, นต่อไปนี้ต่อไปนี้มันจะนิยมมนันึอีกที เราไม่ต้องนุ่งก็ได้ไม่ต้องห่มก็ได้ไเปื่อยกายเหมือนสุนัขมันเวลากิเลสขึ้นมันจึงสะดวกถูกไหม <c oughs> ถ้าเราไม่ละอาย <c oughs> ก็เกรงว่าท้าไมในของพระพุทธศาสนาจะละอายบ้าง <c oughs> เอาไปทำในประเทศอื่นซะ ญาตาส่งเสริมอารองอบรงที่ทำไมจึงไม่เอาออกนั่นต่อไปนี่พวกเราไม่ต้องนุ่งห่มมันจึงสะดวกเวลากิเลสเกิดขึ้น เ, เ, เหมือนสัตว์เลยนั่นนั่นนั่นนั่นนั่ น, น, นการส่งเสริมคำสอนใดๆ ที่ส่งเสริมกามาดาคะให้จัดขึ้นที่ส่งเสริมโทสะให้จัดขึ้นส่งเสริมโมหะให้จัดขึ้นไม่ใช่คําสอนพระพุทธศาสนานั่นพระบรมศาสตร์ปฏิเสธนี่นี้พระบรมศาสตราก็ดุพระทศินเหมือนกันพระทศินไปร่วงนะเมิดภรรยาตนเองมันดีสําหรับเธอมันไม่ดีสําหรับนักปราชดนะมันถูกกับสําหรับเธอแต่มันไม่ดีสําหรับนักปราด ขาค่ายข้าวมะแรงวันมันก็ดีสําหรับมะแรงวันแต่มันไม่ดีสําหรับมะแรงพึ่งใช่ไหม <c oughs> ที่นี่พระบ ร, รมศาสล า, า, าด่าดุุพรสุทินอนเนกปริยายทําไมท่านจึงด่าจึงดุอยาอนเนกปริยายมันก็ล่วงไปแล้วทําไมทําไมจึงไม่วางเฉยซะเพราะหวังเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังในอนาคตส่วนผู้นั้นมันเสียไปแล้วเพราะเป็นต้นมันหยัด ทีนี่เขาก็ถามว่าพระบรมสารีราด่าพระจุลินก็ดีดุพระจุลินก็ดีแล้วก็ดุองค์อื่นก็ดี เ, เหตุใดพระบรมสารีรายังไม่พ้นจากความโกรธหรือเถามเขาเขาก็ตอบมาเพียงๆตอบมาจังๆว่า เ, าเธอกินกล้วยเนะ่ะเธอปอกเปลือกมันทิ้งทําไมมันโกรธให้มันหรือ ถ้าจะไปตั้งแต่กฏหมายอีพอ่ออีแม่เอ๋ยแม่ลดตาแหน่งกิเลสพวกลูกห ล, ล, ลา น, ลานก็ไปไม่รอดเหมือนกันพระก็ไปไม่รอดเหมือนกันถ้าจะเรียนเอาแต่นักทมตีโทเอกตลอดถึงปีนี้เก้าอ่อไม่ลดตาแหน่งกิเลสก็ไปไม่รอดอีกเหมือนกันถูกไหมนั่นที่นี่ คำสอนพระพุทธศาสนาทําไมมีมากแค่ถ้าย่นลงมาเป็นหนึ่งก็ก็ก็ไม่มีมากย่นลงมาเป็นสามก็กายวายกายใจย่นลงมาเป็นสองก็กายกับใจย่นลงมาเป็นหนึ่งก็เป็นเอกนิบาตน่ะบางท่านบารมีแก่กล้ามาแล้วมารบกวนฟังเทศพระพุทธศาสนามาฟังเทศพระบรมศาตร์ศาสนาพระพายะบารมีแก่กล้ามาแล้วถ้าก็พูดยอดๆทีนี้ พอพระอนุพระพรพระบรมศาสตาเหลือเป็นเออโยมคนนี้มันจะแตกฉานในพระสัมมิทาสีในวันนี้มันจะทำเนียพระทหารในวันนี้พระเกพระบรมศาสตรารู้ดีแล้วแต่ว่ากรอนพาไปก็เลยพูดไปขั้นกาลังบินทบาตขอให้พระบรมศาสตาเทศให้เข้าฟังด้วยโอเวลานี้เรากําลังบินทบัติไม่สมฐานะที่เราจะเทศให้เธอฟัง แต่อาที่แทพ้พระบรมศาสราสรูปแล้วเพราะกรอนพาไปก็พูดเพราะพระตามหลังไม่อยู่บางทีพระบรมสาสีรสิ้นลมปราณดงเดยอะนี้ก็ได้บางทีเกล้าสิ้นลมปานดวงเยอะนี้ก็ได้เออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเป็นได้สักวารููเป็นได้ ส, ดสักว่าเห็นเนอครับพอแล้วนะเขาสร้างบริวาแก่กล้ามาแต่พบก่อนแล้วดอกวัวมันกำลังจะบานพอได้รับรัตสมีมันก็บานเลย <c oughs> ดอกบัวสีเราก็มีอยู่ในข้าง เดี๋ยวนี้ไม่ใไม่ไม่ไ ม, มีแต่ขรังพุทธการาบอกบานก็นบานเติมภูมิดอกตูมก็ตูมเติมภูมิดอกเสมอน้ําก็เสมอน้ําเติมภูมิดอกบานเติมภูมิก็คือครูบาอาจารย์ผู้ท่านพ้นไปแล้วดอกตูมลงมาก็คือพระอนาคามิตูมลงมาอีกก็สักกาคะขามิตูมลงมาอีกก็คือพระสารนดอกเสมอน้ําก็ค่ากับผีก็ถือ euh เอ่อเหล้าก็กินพุทธก็ว่ากันนั่นแหะไอ้พวกอยู่ใต้น้ำดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำดอกบัวที่อยู่ใต้น้ํา่ะ คือไม่มีบาปมีบุญพวกนั้นเป็นทักษาแห่งปลาและเต่าเพราะมาีหลายบางทีบางทีก็โผล่ขึ้นบ้างบางทีก็ไม่โผล่แบบวัวอยู่ใต้น้ำคือพวกโรกีทีนี่พระพาหิยะเองเออเป็นทศวรรก็โูกเป็นทศวรรค์เห็นครับพอแล้วเพราะยังไงจึงเป็นอย่างนั้นแตกฉานในพิศสัมพิทาสีพิศ ส, สัมิทาสีมีอะไรบ้างอัตตะพิศสัมพิทาปัญญาอันแตกฉานในอัต ธรรมะปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรมนิรุติปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในนิรุติปฏิธรรมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรมปฏิธาแตกฉานในธรรมแตกฉันในอัตแตกฉานในนิรุติแตกฉานในปฏิภาณถ้าคาถ า, าทเดียวท่านน่ะพ้นจากกิเลสเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมพิทาสี่แล้วพระบามีสร้างแกแกกล้ามาจากพบก่อน มีปัญหาสอดเข้ามาว่าเป็นได้สังวรู้เป็นได้สังวรเห็นน่ยอธิบายดูรูคือไม่ยึดยึดถือผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่สําคัญว่าเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นไม่สําคัญว่าผู้เห็นเป็นเราอย่างนี้กิเลสทั้งพวงก็แตกกระเจิงเลยเพราะสร้างบามีแก่ก้ามาแล้วุพเพจะกต้ปุญญตาผู้สร้างบาลมีแก่ก้ามาแล้วในภพกฎก่อนเอตมังขะนมุตตะมังเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย นั่นนั่นทำแต่ละบาดระบาดส่งต่อพันธุพันธุ์ทางนั้นมันขึ้นอยู่กับบา ร, รมีแก่กล้ามาแล้วหรือไม่เท่านั้นอที่พระองค์บัญญัติไว้แปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์ประเทศคนนั้นบ้างประเทศคนนี้บ้างประเทศคนนี้บ้างประเทศคนนี้เอามารวมไว้สี่าพรรษาก็แปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์ก็รวมลงมาเป็นไตรสีขาสีสมาธิปัญญาไอ้แท้ก็พาสิทธิ์เดียวหรือสองพาสิทธเท่านั้นอจงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเลย จะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำดีอย่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำชั่วเลยจะเป็นผู้อาถรรในทางทำดีอย่าเป็นผู้อาถรรในทางทำชั่วเลยทำดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจเมื่อได้ไปบวกเรียนฟ้าอากาศเลยทำดีก็ไปฉลองใจอยู่ที่ดีไปฉลองดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปฉลองชั่วอยู่ที่ใจเธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาเหตุกับผลไม่อยู่ห่างกันพอก้าวเหตุนั่งผลก็นั่ง เหตุฟังผลก็ฟังเหตุเข้าใจผลเข้าใจก็กกก็็็เข้าใจเห็นแล้วเข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุดับตาผลมืดไม่อยู่ห่างกันพอเก้าเหตุลืมตาผลก็เห็นไมาอยู่ห่างกันพอก้าเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่ควรปฏิเสธกรรมและผลของกรรมเหตุกรรมพืชผลของเหตุผลของกรรมผลของพืชก็มีความหมายอันเดียวกันวางพืชเช่นใดก็ได้ผลเช่นนั้น วางเหตุเช่นใดก็ได้ผลเช่นนั้นเธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหานะ่เหตุที่รู้ตัวผลที่รู้ตัวเหตุที่ไม่รู้ตั ว, ผ ล, ตวผลก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันเหตุรับผลก็มืดอย่างไกลอยู่เหมือนกันเหตุรับตาผลก็รับตาเหตุมืดผลก็มืดอ่อใกล้เข้าเว้นไว้แต่ตาฟางหรือในเทมืด่ะ เ, เหตุนั้นจึงไม่ควรวัติเสธผลของกรรมเอา้า อ๋อถ้าหากว่าผลของกรรมไม่มีเพชรซาอุเราไปได้ไหมอ๋อถูกไหมอ่ามิดพิ้วอ่ามิดพิ้วกฎหมายมิดพิ้วได้อันมิดพิ้วผลของกรรมมิดพิ้วไม่ได้เอ้าอันหลวงปู่ไปยิงนกมันมาปวดขึ้นนี่แล้วเนี่ยหลวงปู่ไปยิงนกตั้งแต่อายุสิบห้าปียิงนกเขายิงนกเขาเลยตัว น, นกเขาตัวเดียวเท่านั้นน่ะเนี่ยยิงด้วยยิงด้วยก้องเป่าเนี่ยเผื่อพันร้อยวันพุทธขึ้นไปนี่ก็ถูกนี่ นกเขาตายเลยได้นกเขาตัวเดียวเท่านั้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นโรกห้อยไใจตีบระเบิดขึ้นแล้วนั่นนั่นนั่นถ้าไม่เชื่อก ร, รมและผลของกรรมมันก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะฮะไม่ได้เรามันร่วงไปลูกเอ๋ย มาบวชเดี๋ยวเดี๋ยเมื่อบวชข้าวนี่มันห้าสิบสองพันษาเนี่ยมาบวชข้าวนี่บวชข้าวนี่ห้าสิบสองพันษาเนี่ยบวชข้าวก่อนสี่พัษาลาไปลาไปสร้างคราวาตบวชข้าวก่อนสิสี่พันษาข้าวที่เป็นคนหนุ่มลาไปสร้างคราวาตแล้วก็ภรรยาถึงแก่กรรมเขามาบวชอีกบวชอีกสองพัน้อยแปดสิบหกมันห้าสิบสองพันษานี่ใช่ไหมนะ หมอเราเกงองหมอเลยงปู่พูดไม่ได้สัมรวมพูดแบบลูกๆหลานๆเข้าใจไหมเออพูดแบบลูกๆหลานๆอืมลุงปู่ก็พูดให้พูดแทนคนหนึ่งมาลุงปู่ก็ผูกเป็นลูกเป็นหลานมาจากสกลนครเอ้าลุงปู่จะพูดแบบลูกๆหลาน เพขาล็อกปู่เป็นคนร่างสมัยลูกหลานจะไปถือล็อกปู่นะ อ, อลูกหลานเป็นผู้แทน อ, อลูกหลานคนชื่อขาดใช่ไหมยชื่อขาดอะไรล็อกปู่ก็ลูกๆลูกหลานเป็นผู้ตั้งกฎหมายทําไมลูกหลานจึงไม่ตั้งเอาไว้ว่ า, วาพระพุทธศาสนาเป็นเมืองขวัญของประเทศไทยมายแต่ดึกดําบันทําไมจึงไม่เขียนไว้สักข้อสองข้อบ้างพูดว่าอย่างนี้แล้วก <t> ็องค์สมเด็จพระบรมมหาราชา ก็เป็นมิ่งขวัญของพระพุทธศา ส, สนามานมนานแล้วเช่นไวิสุขามใช่ไมาองค์สมเด็จพระบรมราชาไม่ทรงพระอนุญาตก็ทําไม่ได้ชิคาบทที่เกี่ยวกับพระบรมราชามีอยู่ทุกยุค ท, ทุกสมัยในรัตนวัคคีเก้าภิกษุไม่ได้รับอนุญาตก่อนเข้าไปในห้องที่พระเจ้าแผ่นดินเทดอยู่ข้าพระมเหสีต่อปยาตีนะมันมีอยู่ที่เกี่ยวกับพระบรมศาสตราา์ที่เกี่ยวกับพระบรมมหาราชามีอยู่ อันสามข้อพวกคุณทําไมจึงไม่เอาไว้ชนลอยพวกคุณจะวิีดเบือนในอนาคตใช่ไหมไม่ใช่หรอกครับกําลังหาเสียงหนูไม่ใช่หรอกครับกําลังหาเสียงหนูเขาไอเอา้าพวกลูกๆจะไปหาเสียงพวกลูกๆเป็นแมลงผู้แมลงพึ่งจะไปหาเสียงกับมแมลงวันมันจะให้ไหมเราพูดอย่างนี้เขากระเขาของวัี <c oughs> นี่เอา้าพระไตรปดก กล่าวถึงพระสมานพระพุทธเจ้ากล่าวแต่ความดีทางนั้นมีอยู่สี่ช้าเล่มก็มีร้อยเล่มก็มีปู้ยแสงสา ย, สายอันนั้นไม่ใช่เสียงดอกหรือนะพูดอย่างนี้ที่นี่กรุงธวาราวดีศรีอยุทยาก็ดีกรุงเทพมหานครก็ดีหรือก่อนนั้นก็ดีตลอดทั้งปัจจุบันก็ถือพระพุทธศาสนามาโนนานแล้วอันนั้นไม่ใช่เสียงดอกหรือ พรามันไม่ใช่กฎหมายโลกทําไมจึงขี้ขาดมากกฎหมายประเทศทําไมจึงไม่เขียนไว้ใครจะถือทำไม่ถือก็ไม่ได้คมเห่งทําไมจึงไม่เขียนไว้เป็นมิ่งขวัญบ้างแเราคอย่องไรขี้ขาดใช่ไหมเราคุยอะเพราะกระเรงว่าจะผิดชาวโลกทำไมเพราะไม่ใช่กฎหมายของโลกจะไปผิดทําไมเขียนไว้เป็นที่เลือกเป็นที่ตรงทําสชั้นเลสไม่ดีหรือสองสามข้อท่านนั่งทำไมถึงไม่ก้าเขียนจะประหาเสียงที่ไหนอีก ธาตุพระนรมาใช่เสียงหรือเราพูดอย่างนี้อแล้วก็ธานุนครปฐมอธาตุเจดีนะพระพุทธโลกฝังอยู่ใต้ดินลึกเพียงเอวก็มีแต่โบราณหลายพันปีอันนั้นไม่ใช่เสียงหรือที่พระไตรปิฎกบอกว่าพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกดมากกว่าสงไขยสงไข่มาเป็นลูกลูกลูกลอันนั้นไม่ใช่เสียงหรือพวกลูกๆจะพัดเพี้ยนไปทางไหนอพวกลูกๆมันคนขี้ขาดใช่ไหม อ่าพูดอย่างเี้ไม่คิดขาดเร็กน้องูกํำลังหาเสียงเกาหัวอีกพูดกับเขาสนุกดีเขาก็หัวละอยู่อ่า นเนื้อเรพระพุทธศาสนาอันทรงควคุณค่ามามีประมาณแล้วก็ทรงมาอยู่ทุกการด้วยเมื่อขึ้นอยู่ผู้รูกก้ก็ด้วยเมื่อขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้เมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไม่มาในที่นี้ก็ดีจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบราวารพระพุทธศาสนาของพระสมานาพุทธเจ้ามิยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุก้อยชอบโดยด่วนในปัจจุบันนักเกิดปัจจุบันธรรมโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเืิดเอ้า